วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ท่านบอกเอาไว้ก็คือท่านไม่ให้พวกเราลืมตัวทะเลถลายผัดวันประกันพรุ่งว่าวันพรุ่งนี้เท่ก่อนเราจรึงจะรักษาศีลให้ทานภาวนาหรือปีหน้าเท่ก่อนเราจรึงจะทำจะ ต, ตามไม่จริงไม่ควรจะผัดวันประกันพรุ่งนะ การสร้างคุณงามความดีเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงอย่างที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้หล่ะเราก็ไม่คาดไม่คิดว่าไฟมันจะดับแต่ชีวิตของพวกเราก็เหมือนๆกันนี่แหละวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะอยู่ได้นานถึงขนาดไหนเพราะว่าความตาย เ, ยเป็นของไม่แน่นอนกานอุปมาอุปไม้หลายๆอย่างเรื่องความตายของมนุษย์ ท่านอุ ป, ปมาเหมือนกับน้ําค้างอยู่ใบบัวพวกเราคงจะเคยเห็นน้ําค้างอยู่ใบบัวนหะรือใบบอนมันกลิ้งกลมไปกลืกลมมาเวลาลมพัดแรงเมื่อกลพร้อมที่จะตกฝนอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ได้ว่ากลางวันกลางคืนไม่ได้ว่าเวลาเช้าสายบ่ายเย็นพร้อมที่จะตกอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของมนุษย์พวกเราก็ลักษณะนั้นแหละหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ เพราะนั้นท่านถึงมาให้ประมาทสร้างคุณงามความดีเอาไว้สร้างบุญสร้างกุศลใส่ตนเอาไว้คุณงามความดีที่เป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาคือทานสิงภาวนานี่แหละว่าทานทานะเป็นว่าให้การเสียสละคือจาคะสิงหคือรักษากายวาจาให้เหรียบร้อยไม่ให้มีโทษส่วนภาวนานกว้างขวาง ทางสมาธิภาวนาทั้งปัญญาภาวนาสมาธิคือสมถะและวิปัสนาส่วนสมถะนี่ก็ยังมีขอบเขตแต่ว่าส่วนวิปัสนานั้นกว้างขวางมากจนถึงชาระจิตใจของตนเองได้สําเร็จมรรคผลนั่นนหละนะจริงจะจบถ้านอกจากนั้นนะยังไม่จบชาระจิตใจตัวเองให้บริสุทธิท์ผุดฟองเมื่อไห ร, เร่เป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจบ แต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นลยัยงจะต้องศึกษาไปเรื่อยๆเรื่องภาวนานในครั้งพระพุทธเจ้ามีอุบาสกอุบาสกคือคือโยมผู้ชายนั่นน่ะอยากจะได้บุญมากไปถามพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านก็บอว่าสำหรับคราวาสก็ควรจะให้ทานแต่รัถ้ามีสมบัติพอที่ทำบุญได้อยู่ถ้ามีพบมีชาติต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นผู้ไม่อดยาก ไปในที่ใดๆก็อุดมสมบูรณ์เกิดมาในสถานที่ใดก็เป็นผู้รวมสมบูรณ์โดยทรัพย์สมบัติพร้อมกันก็มีปริวารสมบัติ ด, ด้วยเพราะจิตใจกว้างขวางมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่คข่ไข่ก็อยากจะเป็นญาติเป็นเม็ดพอเขาทําบุญทําทานแล้วแตจิตใจของเขาก็ได้รับความพร่มเย็นด้วยความผาสุขมีความเอเิบอจีบในจิตใจก็เข้าไปถามพระสงฆ์อีก บอกว่าจะทํำยังไงให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าทับทานเนี่ยจะได้บุญมากพระสงฆ์ท่านก็ บ, บอกว่ารักษาศีล ร, รักษาศีลห้าสำหรับฆราวาสฉะนั้นกับเขาเขาไปรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าก็มีความปีติดกิ่มใจเพราะไม่ได้เบียดเบียนฆ่าสัตว์รักทัพย์กับพืชผิดในการไม่ได้โกหกไม่ได้ดื่มสุราก็มีความปีติดกิ่มใจในใจิตในใจของตนเอง ก็เข้าไปถามพระเถระอีกว่าจะทํายังไงให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าพะระเถระก็ท่านก็ บ, บอกว่าเออควรจะรักษาศีลอุโบสถก็ ร, รักษาศีลอุโบสถเป็นเป็นเครื่องขัดเกลาขี้เลสให้เบาบางถ้าเป็นศีลห่านคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไนมะ่ให้มีโทษส่วนรักษาศีลอุโบสถเนะเป็นเครื่องขัดเกลาขี้เละ ต, ตัดขีเละส่วนย่าบอก คือไมอ่ทานอาหารตอนเย็นเนี่ยใครๆว่าตัดรถออกจากกลิ้นของเราคนเรานี่ถ้าว่าติดในรถอาหารเนี่ยกอกเป็นทุกเหมือนกันนะเพรานั้นเสียสละตัดไปเลยไม่ต้องกินไม่ต้องทานวันเนี้ยเดินตัดกิเลสส่วนอยากส่วนหนึ่งจากนั้นก็ข้อที่เจ็ดก็นัตตะคีไม่ฟังเพลงไม่ฟังลัมไม่ฟังดนตรีงดทั้งหมดที่เป็นเครื่องเย้าโยนยัว่วยุให้กิเลสมันกำเริบคึกขนองไม่ฟัง เสียงที่โยโยนเหล่านั้นตัดกิเลสตัดทางหูออกตัดลิ้นตัดหูว่างั้นเถิดฟังแต่เสียงอัดเสียงทำฟังแต่เสียงที่เป็นประโยชน์เสียงที่เป็นโทษที่จะทําให้จิตใจขุ่นมัวเศ้าหมองนั้นตัดออกแล้วก็ข้อที่แปดมาลาคันท้าววิเลอันนี้ตัดทางจมูกคือท่านไม่ให้รูปร้ายเครื่องหอมมาเห้ตกแต่งร่างกาย ใส่น้ำอบน้ำหอมฉโลมจะทำให้จิตใจกำเริบไปในทางกิเลสท่านมาให้ใช้ของหอมฉโลมกายไม่ให้ตกแต่งร่างกายอันนี้คือตัด ก, กิเลสทางจมูกออกโดยมากมันติดกลิ่นหอมข้อเก้าอุจจารยนามหาสยานาห้ามมาให้นอนที่นอนอันใหญ่สูงที่ยัดนุ่นและสําลีอันนั้นตัดสัมผัสทางกายออก คือคนเราเนี่ยถ้าเป็นนอนในที่อบอุ่นในนอนที่สบายที่นอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นและสำลีที่อ่อนนุ่มที่นอนสบายนอนไปรู้จักตื่นจะไม่เห็นโทษแห่งความเกิดแก่เก็บตายกิเลสมันจะครอบคลุมทางจิตทางใจเพราะนั้นท่านเกงไม่แหง น, นอนที่นอนใหญ่ที่ยัดนุ่นและสำลีสรุปแล้วคือกิเลสดังใจวิกาละโพขึ้นมาเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับพระท่านรักษาทุดง เตระสะทุดงสิบสามนั่นแหละส่วนศินข้ออื่นๆก็มีข้อห้ามแต่วัตถุดงเนี่ยถ้าหาว่าใครไม่รักษาก็ไม่เป็นไม่ปรับโทษแต่ถ้าผู้ใดรักษาทุดงสิบสามเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลาทิเลตในจิตในใจความทะเยอทยานความอยากความหลงลืมตัวเตระสะทุดงสิบสามเนี่ยจะเข้าข่ายกับศินข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดของคารวะนี่แหละอุบาสกนั่นถามอยากจะได้วุ่นมาก พระสงฆ์ก็แนะนำให้รักษาสีนุโบสถเขาก็รักษาได้จิตใจก็มีปีติความเอืบอจิมในจิตใจก็เข้าไปถามพระเทลระอีกบว่าจะทำยังไงให้ยิ่งกว่านี้ทีนี้พอพระสงฆ์เขานกอบอกให้บวชถ้ า, าจะได้กว่านี้ต้องบวชเ่ยเขาก็ตกลงบวชพอบวชเสร็จแล้วพระอุปชาก็สอนทำให้เจสาโลมาณขาทันตาตะโจ ให้่าพิจารณาอย่างนี้นะคือพิจารณาร่างกายสังขารให้เป็นอสุภะทีอของไม่งามอสุพังคือของไม่สวยอสุพังเป็นของไม่งามคือร่างกายของคนเราเนี่ยเป็นมันเต็มไปโดยของอสุภะทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยนแท้แน่นอนเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แกแล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยตายแล้วก็เน่าก็ป่วยผุพังเป็นธาตุดีดินน้ำลมไฟไป อุปชาก็สอนตามหลักกรรมฐ า, านจากนั้นก็ไปหาอาจารย์อาจารย์ก็สอนพระวินยัยเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วท่านต้องรักษาพระวินัยอย่างนี้นะถิน227ร้อ่ิข้อนปาราชิ 4, สีทั้งคาทิเศษ1สาอนุยศสองนิจทีปาิทีสาสิบปาริก้าสิบสองปฏิเทศนิยะสีส่เศษคียวัตร75้ารวมเป็น220ยสนับอธิกระสมัทะสมัทะเข้าวรวมเป็น2อยเจด นี่แหละสินของพระท่านสองรักษาพออุบาสกคนนั้นได้ยินสินสองรอยีิบเจ็ดข้ อ, โ อ, โ, อโอ้ก็ผมคิดว่าบวชเข้ามาแล้วเพื่อจะหาความสุขท่นีม้มารักษาสินทั้งสอง้อยี่ิบเจ็ดข้อจะทำยังไงผมจะรักษาไหวว่างั้นคล้ายๆอ่อนอกอ่อนใจเลย ว, ว่างั้นเถอะพออาจารย์สอนเรื่องสินใหฟังแล้วโอ้ยไม่เอาไม่เอาผมจะถึกแล้ ว, วงั้น ผมไปเป็นฆราวาสรักษาศีลห้ารักษาศีลนุโบสถแล้วก็ให้ทานจะมีความสุขกว่าที่จะมารักษาศีลสองรอยบเจ็ดผมรักษาไม่รู้ข้อไหนต่ข้อไหนด้วยว่างั้นผมคิด่อจะหาความสุขยิ่งเพิ่มความทุกข์เข้าใส่ผมอีกว่างั้นพระสงฆ์ห้ามเท่าไหร่กับไม่ฟังแต่นี่พระสงฆ์กันเองถ้าหากว่ามีคนพูดอย่างนี้หลายๆคนท้าบวชเข้ามาแล้วแตมีความคิดเห็นอย่างนี้หลายๆคนแล้วจะทํำยังไง ควรจะพาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จะมีการแก้ไขอย่างไงถ้ามีคนพูดอย่างนี้หรือมีความเห็นอย่างเนี้ยพาพระใหม่้เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าท่านอยากจะศึกเพราะอะไรพระเอานั้นก็กราบทูลตามตรงเลยบอกว่ากระผมอยากจะศึกเพราะที่แรกกระผมพระเถระท่านแนะนําให้ทานกระผมก็ให้ทา น, ก, ทานก็มีความปีติยินดีรักษาสิน้นหา้ารัาสิ้นแปดก็มีความสุข ท่านเขแนะนําให้บวชพอบวชเข้ามาแล้วท่านที่จมีความสุขขึ้นยิ่งไปพอทําเราแต่พอมาสอนพระวินัยนี่สิกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินก็ผมไม่สามารถที่จะรักษาที่ข้าบทถ์ที่ในเหล่านี้ได้กลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมอีกว่าเ ง, ง้นพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาเธอจะรักษาเพียงอันเดียวได้ไหมไม่ต้องรักษามากหรอกสองร้อยิบเจ็ดมันยุ่งรักษาอันเดียวน่ะ ได้ไหมไม่ให้มันไปทางอื่นได้ถ้าอนเดียวจะทียากขนาดไหนกับผมก็รักษาได้เออถ้านั้นก็ให้รักษาใจนะอย่าให้มันคิดไปทางอื่นพยายามดูใจของตนเองอย่าให้มันคิดไปทางนู้นอย่าให้คิดไปทางนี้อย่าไปคิดไปทางอคุโสณไม่ต้องรักษาอย่างอื่นเนอะรักษาใจเท่านั้นแหละได้ไหมได้ครับก็เลยกราบผู้ถงเอื้องก็ไม่ต้องรักษาอย่างอื่นนรักษาใจ สรุปแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดถ้ารักษาใจต้นต่อศีลก็ออกไปจากที่นั่นสมาธิออกไปจากที่นั่นปัญญากออกไปจากที่นั่นที่นั่นเป็นต้นเหตุทั้งหมดทุกอย่างยอดของพระธรรมก็อยู่ที่นั่นน่ะยอดพระกันใจปิฎกย่างห่างอยู่ยอดกันพระใจปิฎกหนึ่งนะ่ะคือใจนี่นะจุดนั้นที่พระพุทธเจ้าเด่งลงไปจุดนั้นสอนจุดนั้น ที่พระอาชิชิสอนภาษาริบตรเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเยธรรมาเหตุสัพภาวาพระอาชิชิกล่าวเบื้องต้นขึ้นมาเลยทำทั้งหลายเกิดจากเหตุความดีความชั่วเกิดมาจากเหตุถ้าจะดับกระดับที่เหตุถ้ารู้แจ้งรู้แจ้งในนั้นนหะ mm. เหตุคืออะไรคือใจทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดเหตุดีเหตุชั่วออกไปจากใจทั้งหมดตัวนี้แหละเป็นตัวที่ตัวการสาคัญ ถ้าแก้ก็แก่จุดนี้ถ้าดูก็ดูจุดนี้มันจะเลวหรือมันจะดีมันจะโมโหโทโสมันจะมีราคะโทสะโมหะออกไปจากจุดนี้ทั้งหมดนี่แหละคือจุดใหญ่ท่านจึงว่ามโนโภูพังคมาธ า, ม, ามโนเสถามโนบายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละศินที่พวกเรารักษาคือรักษาให้ใจทานก็รักษาเพื่อใจถวายเพื่อใจภาวนากระเพื่อชําระจิตใจ ส่วนกายวาจานะั่นที่นั่นเป็นวิบากเท่านั้นเองวิบากของใจที่ใจได้ทำกรรมอะไรไว้ในอดีตก็มาเกิดไมพบนี้ชาตินี้ก็เป็นวิบากกรรมของในอดีตที่เราได้รับมาบางคนเกิดมาแล้วทั้งที่เกิดในสกุลสูงแต่ที่คนที่การบ้าใบาเสียจิตก็มีตั้งเยอะแยะบางทีอวัยวะไม่ครบสวนก็มีเยอะแยะ อวัยวะที่กองพิการก็มีเยอะแยะแต่ทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าจิตวิญญาณหรือว่าวิญญาณที่มาปฏิสนธิมาเกาะเกิดนั่นน่ะได้ทํากรรมไว้ในอดีตทําทั้งกรรมดีทําทั้งกรรมชั่วก็เลยทําให้ผู้ที่มาเกิดนั่นน่ะจะต้องมีวิบากคือกายนี่คือวิบากกรรมวิบากกรรมในอดีตของพวกเราที่เกิดมาพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะตกแต่งได้ กรรมน่าจะเป็นคนตกแต่งให้พวกเราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้กรรมในอนดีตเป็นผู้ส่งผลให้มาเกิดแต่นี่เฉพอมาเกิดแล้วเรารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรู้จักดีรู้จักชัว่วถ้าหากว่าเรายังเพิ่มกรรมชั่วเข้าไปอีกกรรมชั่วมันก็จะหนักเข้าไปอีกเอถ้าหกว่าพวกเราทำกรรมดีพยายามแก้ไขว่าเราเกิดมาแล้วมันขาดตกบกพ่องอย่างไรเราก็เอาปัจจุบั น, นกรรมเข้าไปแก่เอง สมมติว่าเราไม่มีความรู้ความฉลาดเราก็พยายามวิ่งเต้นผลกวาดเลยใครเข้ามเสาะแสวงหาในปัจจุบันได้เลยอันนั้นคืออดีตที่ผ่านมาแล้วมันได้เท่านั้นแหละที่เกิดมาแล้วเราแก้ไขไม่ได้เกิดในสกุลสูงก็เกิดในอดีตกรรมส่งมาเกิดเกิดในสกุลต่ําก็ส่งมาเกิดอวัยวะของเราพิกลพิการก็อดีตกรรมเป็นคนส่งมาแต่ปัจจุบันนี้เราสร้างต่อไปอีกเล สิ่งใดที่มันขาดตกบกพร่องเราก็ทําให้ดีขึ้นแต่ถ้าว่าเราไม่ทําถึงจะเกิดมาเป็นคนร่ํารวยมั่งมีสีสุขแต่ไม่ทํากรรมต่อไม่ทํากรรมดีต่อท่านก็ว่ากินของเก่ากินบุญกุศลเก่ามันก็มีวันหมดเหมือนกัน่เหมือนกับเราหาข้าวใส่ ย, ยุ่งใ ส, ส่สางเอาไว้แล้วเราไม่ทํานาต่อไปนั่นแหละกินแต่ข้าวเก่ามันเจงนานเท่าไหร่อีกสักวันหนึ่งมันก็หมดได้ อันนี้ก็เหมือนการบุญกุศลที่พวกเราสร้างมาในอดีตถ้าหว่าพวกเราไม่ทําต่อในปัจจุบันไม่เพิ่มพูนเข้าไปขึ้นไปอีกนิตรกรรมอดีตมันก็มีโอกาสหมดได้เพราะนั้นปัจจุบันนกรรมเนยที่พวกเราอยู่ขณะนี้เดียวเนี่ยหรือว่าพวกเรากําลังทําอยู่เดียวเนี่ยทั้งอดอาหารทั้งอดนอนทั้งยุงกัดทั้งลิ้นกัดที่พวกเรามาอยู่วัดอยู่วาน อันนี้พวกเราล้วนแล้วจะเป็นผู้สั่งสมเริ่มสั่งสมบารมีคือทาปัจจุบันกรรมให้เป็นกรรมที่ดีสั่งสมเพื่ออนาคตเพราะปัจจุบันที่มันทุกข์แล้วหรือมันยากลาบากมันก็ผ่านผ่านมาแล้วแต่ในอนาคตนี่พวกเรายังไม่รู้ว่าพวกเราจะเดินไปเป็นอย่างไรตกหลุมไหนเป็นอย่างไรพวกเราไม่รู้เพราะพวกเราทาทุกโคตทุกทุ ก, ทกวิญญาณทุกทุนคนนะไม่ใช่จะทำแต่กรรมดีอย่างเดียว ร่วมกันก็ทํากรรมชั่วไปด้วยแต่ว่ากรรมดีกับกรรมชั่วนั้นอันไหนจะมากกว่ากันเท่านั้นเองถ้าหว่ากรรมดีมากก็มีพลังถ้าทํากรรมชั่วมากกรรมชั่วก็มีพลังอีกเหมือนกันนั่นแหละต้องครอบงำกรรมดีไปแต่บางท่านบางคนก็บอกว่าถ้าเรากำชั่วทํากรรมชั่วในอดีตมาแล้วเราจะลบล้างยังไงในปัจจุบันแต่ตามที่จริงการลบล้างกรรมเนี่ย มันก็เป็นของยากทีจะว่าไปแต่ตามมื่จริงมันก็คงมีส่วนได้เหมือนกันเหมือนกับเราทานยาพิษแต่ไม่ถึงกระตายแต่ร่างกายของเรายังอ่อนปวกเปียกสดชัดเจพเนจรอยู่คล้ายๆกับร่างกายของเรายังไม่แข็งแรงเราก็พยายามหายา ม, มาทานแก้พิษนั้นให้มันเบาบางลงหรือว่าคนเราที่ทำกรรมไว้แล้วในอดีตกรรมหนัก แต่ในปัจจุบันกรรมพยายามทํากรรมดีให้มากเพื่อสะล้างหรือลบล้างกรรมชั่วที่เราทํามาเนี่ยให้เบาบางลงอันนี้ก็คงจะเบาบางลงได้แต่จะให้ล้างทีเดียวคงไม่ได้ถ้าหากว่ากรรมดีมากจริงๆก็สามารถที่จะสะล้างกรรมชั่วได้เหมือนกับน้ําที่ตกกระปรกมันน้อยแต่น้ําที่สะอาดมันเยอะกว่า ก็สามารถที่จะสะล้างน้ำตะกปรกเล็กน้อยนั่นให้หายไปได้แต่ถ้าว่าน้ำตะกปลกมันเยอะแต่น้ําสะอาดมันน้อยเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลบล้างกันได้อันนี้ก็เหมือนกันกรรมชั่วกับกรรมดีก็เข้าถ่ายในลักษณะนี้เหมือนกันอย่างในธรรมบทในธรรมปฏทัศกถานก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันถ้าว่ากรรมดีหักล้างกรรมชั่วไม่ได้ดูลักษณะของโคนกัหว นายตาเลอตาเหลวนะ่หนวดแดงลิเป็นโจรดักป่นคนในระหว่างเมืองต่อเมืองทีนี้นายตาเล่หนวดแดงเนี่ยเข้าไปเป็นสมัครพรรคพวกกับโจรห้าร้อยทนี้พอเข้าไปหัวหน้าโจรเห็นแล้วดูหัวเห้งแล้วคนคนนี้มันไว้ใจไม่ได้นะ่าถ้าวารับเป็นหมุมเผลอเผอมันอาจจะ หลังแจลึกข้าหมูหักล้าหมูหักหลังหมูได้ไง่ายๆคนลักษณะอย่างเนี้ยคือหัวหน้าโจรเข้าดูหัวเหงของนายตาเหลืหนวดแดงน่ยแต่ว่านายเข่าแดงตาเหลือเนี่ยก็ไม่ยอมก็เข้าไปหาผู้รองของหัวหน้าโจรเข้าไปปลมิบัติจนเป็นที่ยอมรับของรองหัวหน้าเหมือนกันเถอะเห็นดีทุกสิ่งทุกอย่างนี่ใส่อ่อนน้อมไว้เนื้อเฉื่อยใจบอกอะไรได้ทุกอย่างก็พาเข้าไปหาหัวหน้าโจร หัวหน้าโจนก็บอกเออถ้าหากว่าท่านยอมรับไอ้นคนนี้เป็นคนดีก็ให้เป็นลูกน้องของท่านก็แล้วกันให้ท่านเป็นคนดูแลก็แล้วกันนะแต่ว่าผมดูแล้วคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้ตามลักษณะจากนั้นมากะผู้รองหัวหน้าโจนก็เอานายตเตลเลิดหนวดแดงเนี่ยน่ะเขาแดงเนี่ยเป็นสมัครพักพวกพักพวกของตนต่อมาต่อมาท่านการปล้นสะดมในถิ่นนั้นมัน กำเริบเสือบสารขึ้นเรื่อยๆจนคนไปมาระหว่างเมืองจนไปมาไม่ได้จนเดือดร้อนถึงพระเจ้าแผ่นดินกรุงราชสุขืืนเอายกทหารไปล้อมเลยไปล้อมเขาก็จับโจรได้ทั้งห้าร้อยคนพอจับมาได้แล้วทั้งห้าร้อยคนแล้วเขาก็จับจองจำใส่คือใส่คาแขงขาไว้แล้วเขาก็ถามหัวหน้าบอกว่า คุณสามารถที่จะฆ่าลูกน้องได้ไหมถ้าหากว่าคุณฆ่าลูกน้องทั้ง500ได้ทั้ง409คนได้คุณจะพ้นจากโทษแล้วก็จะให้เป็นเพชฌฆาตประจําเมืองอใครเขาว่าประจํากรุงราชคือเลยให้เป็นเพชฌฆาตประจําให้เป็นของหลวงไปเลยโจรเล็กโจร น, น้อยตัดสินประหารชีวิตคุณก็จะต้องฆ่าจัดการให้เขาว่าเป็นเพชฌฆาตหลวงเหมือนกันเถอะ แล้วก็คุณพ้นโทษด้วยหัวหน้าโจรบอกว่าผมทําไม่ได้ครับผมรักลูกน้องผมทําไม่ได้ผมตายดีกว่าถามผู้รองหัวหน้าหัวหน้าก็ทําไม่ได้ข้ามหมู่เพื่อนไม่ได้ถามไปทีละคนทีละคนทีละคนจนถึงไ อ, อ้ตาเลือกข้าแดงที่เป็นลูกสมุนเข้ามาใหม่คนนั้นเขาเอา้าได้ครับผมรับวางนั้นผมรับจัดการทั้งหมดถ้านั้นเขาก็เอาดาบให้เลย จับหัวหน้ามากกว่ชชกตัดคอเลยลองหัวหน้าจัดการเลยว่างั้นถะถึง499คนในวันเดียวเกลี้ยงตับเลยฆ่าหมดเขาก็ยกตำแหน่งให้เป็นเทศก่าประจําเมืองตั้งเงินดั่ เ, เ, เ, เงินเดือนเงินรางวัลให้อีกอย่างงามว่างั้นเถะจากนั้นเขาฆ่าคนมาตั้งแต่อายุ17 18แต่แต่เป็นหนุ่มฆ่ามาตลอด กลับมาทีละร้อยสองร้อยทีลสี่สิบห้าสิบตัดคอทไรดูแล้วันแล้วควันอีกขย้าแล้วขย้ําอีกอายุขนาดนี้ไม่ไหวแล้วปลดก็เลยสั่งปลดก่อนที่สั่งปลดก็บอกวันเวลาให้ด้วยว่าเออวันที่เท่านั้นนะจะสั่งปลดลนะคุณจะต้องได้บําเหน็จเท่านั้นเท่านี้พอถึงวันนั้นจริงๆเขาก็ได้บําเหน็จเป็นเงินก้อนออกมาเขาก็เลยสั่งพันยาเอาไ ว, ว้ว่าเออ เราทำงานมาถึงห้าปีกว่าปีแล้ววันนี้พวกเราควรจะกินเลี้ยงสลองกันอาหารดีๆบ้างคือสมัยนั้นเราบอกข้าวมัตทุ่ปลายาดน้ำน้อยคงจะเป็นอาหารชั้นเลิศในครอบครัวทีว่านานๆเราจะได้กินทีหนึ่งเมื่อนั้นอาหารประเภทยอย่างนั้นทีนี้ก็ให้พรญญาเขาทําเป็นอาหารเป็นสองคนจากนั้นขัดสิ่งตอนเช้ามาเขาก็ไปอาบน้ําำชำระกายซะก่อนแล้วก็จะมานั่งทานอาหาร วนี้พออาบน้ําชำระกายเสร็จแล้วพระสารีบุตรท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านกับเอใครนอจะทําบุญตักบาตรเราวันนี้คือพระสารีบุตรท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านเข้านิโรธสมาบัติทั้งเจ็วันท่านไม่ทานอาหารเลยนั่งนิ่งเข้านิโรธพอออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็เพ่งมองดูว่าใครจะเป็นผู้มีบุญจะได้ใส่บาทจะได้สงเคราะ์ผู้ใดในวันนี้ นายตาเหลือเขาแดง เ, เข้ามาในถ่ายคือเข้ามาในจอโทรทัศน์ของท่านเหมางานเถอะเข้ามาในจอท่านก็บอกเอนายตาเหลือนี่จะมีบุญคุยศนจะได้เราจะได้สงเคราะหไหมเขาจะได้ทำบุญไหมท่านก็เออมีความสนใจอยากจะทำบุญเขาจะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันด้วยนีย่ท่านก็ออกมาบินทบาทนายตาเหลือก็เห็นภาษานี่บุตรเกิดความเคารพเรื่มสายโอ้ เราทําแต่กรรมชั่วมาถึงแต่สมัยเป็นหนุ่มถึงอายุถึงห้าสิบห้าปีแล้วเรายังไม่ได้ทําบุญทําทานเป็นชิ้นเป็นอันเลยมาคราวนี้เราคงจะได้ทําบุญแล้วนั้นก็เลยยกมือไหว้พระสารีบุตรบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าได้อาหารหรือยังพระสารีบุตรท่านไปนบินทบาทท่านก็ไม่ตอบว่าได้หรือไม่ได้แตคนหนึ่งนายตาเหลอเข้าแดงเข้าไปยกมือไหว้แล้วพอเปิดรูบาท ก็ไม่เห็นไม่มีอาหารเลยเลยอะไรเลยก็เลยข อ, อนิมนต์พระผู้เปเจ้าไปที่บ้านกับผมภาษาลิบุตรก็เดินไปที่บ้าน mm. เขานิมนต์ไปพอไปถึงแล้วเขาก็เอาอาหารส่วนของเขาเนี่ยนะที่เขาเตรียมไว้สําหรับเขาจะกินนะ่ะเอามาเกี่ยลงในบาตของภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรก็บอกว่าเอาละพอละขนาดนี้นายตาเหลือบอกว่ากับผม ทำบุญครั้งเดียวแล้วก็อาหารนี่สําหรับคนคนเดียวก็ผมขอถวายทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือว่างั้นขอให้พวกผู้เป็นเจ้าโปรดกระผมด้วยเถอะว่างั้นภาษาลิบุรก็เปิดบาตรทั้งเขาก็ะเคียวอาหารลงไปในบาตรจากนั้นพภาษาริบูรก็ชําเลืองไปหาที่จะนั่งนายตาเหลือก็เข้าใจว่าภาษาริบุตรจะนั่งกระมิมนให้ท่านนั่งฉันในบ้านปูเสือ่อปูอาชนะจัดน้ํา ล่างมือน้ําฉันน้ํำดื่มมาในพร้อมพระสารีบุตรก็ฉันแล้วก็แบ่งอาหารในบาตรนะให้ในายเสลอด้วยเพราะว่าเขาคงจะหิวเพราะเขายังไม่ได้ทานเหมือนกันนั่นก็แบ่งอาหารไว้ส่วนจะนํามาเขาค่อยทานอาหารพอทานอาหารเสร็จพระสารีบุตรก็อนุโมทนาคือการอนุโมทนาในสมัยนั้นท่านจะไม่เทศน์ยถ า, าอย่างทุกวันนี้ท่านจะให้ไปแ้่ว่าอบรมให้คติ เทศให้ฟังไม่งั้นเถอะท่านควรทำอย่างไงอย่างไงอย่างไรตอนนี้พอพระสารีบุตรเทศให้ฟังนายตาเหลือเขาแดงนะเขาก็นึกถึงอดีตที่เขาทำกรรมชั่วมาก่อนมากมายเหลือเกินจนนับคะนาหาประมาณไม่ได้เรื่องฆ่าคนเยอะเหลือเกินไม่รู้เท่าไหร่เขาก็คิดท้อใจโอ้ตายท่านพระสารีบุตรท่านเทศให้ฟังนี้ เป็นหลักธรรมะล้วนๆเลยน่าเคารพน่านับถือน่าเลื่อมใสแต่ว่ากรรมชั่วของเราเนี่เยอะเหลือเกินที่ได้ฆ่า ม, มนุษย์มาเราเนี่คงจะไปตามกฏิินของเราเนะ่ะใครเข้าจะคงจะไปตกทรกอลักษณะนั้นนะ่ะในความคิดของนายตาเลอเนี่ยภาษาลิบุตรรู้วาระจิตของเขาภาษาริบบุตรก็เลยบอกว่าเขทาทันมองเลยเห็นกระตับกระส่ายคล้ายๆกับว่าอ่ามีความทุกข์ในใจ กระสับกระส่ายภาษาลิบุตรก็เลยบอกว่าโยมกรรมในอดีตทํามันทํามาแล้วมันชั่วมันก็ชั่วมาแล้วมันดีมันก็ดีมาแล้วไม่ควรจะนํามาคิดควรจะตั้งใจฟังในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ท่านกําลังทําอะไรอยู่ท่านกําลังฟังเรื่องอะไรอยู่เพราะนั้นเรื่องอดีตไม่ต้องคิดถึงมันดีมันก็ดีแล้วมันชั่วมันก็ชั่วแล้วมันผ่านมาแล้ว ปัจจุบันนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญอนาคตก็ไม่ต้องคิดอีกเพราะมันยังไม่ถึงปัจจุบันนี่แหละเป็นคุณค่าปัจันนัโยธรมมังตถาตถาปัิปสติพอเขาตั้งใจฟังในปัจจุบันพอจิตเขาเข้าสู่ความสงบก็ได้เขาได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันถ้าจะว่าไปแล้วกรรมดีในปัจจุบันของเขานะลบล้างกรรมในอดีตของเขาได้ แต่ถ้าว่านายตะเหลือขาวแดงเนี่ยไม่ได้สําเร็จพระโสดาบันนะไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติที่พวกนั้นเขาเจะจองข่าอย่างนั้นเถอะแต่นี่นายตาเหลอือนี่จะเป็นพระโสดาบันเกรด A B หรือ C เนี่ยเกับพเนี่ยพระโสดาบันเกรด A เนี่ยเกิดชาติเดียวก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันโกรังโกละเกิดสามชาติใช้กรรมสามชาตินะก็จะได้สําเร็จเป็นพระหัน สัตถูกขัดต ร, ระมะเจ็ดชาติแต่ในเจ็ดชาตินี้จะไม่ตกต่านะออกจากมนุษย์เราจะขึ้นไปสวรรค์พอตายไปสวรรค์ออกจากสวรรค์เรกลงมาเกิดเป็นมนุษย์จะไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ไรชาตการบําเพ็ญของพระสุดาวันเกิดมาก็มีศินห้าประจํากายประจําใจเลยว่างานเสร็จแต่ว่าคิดว่าไอตาเหลือนี่ทุกชาติที่เกิดมานี่นสงสัยจะถูกขา้าวเพราะเวรกรรมที่ท่านทําไว้เนะี่ย เยอะพอสมควรน่ยแต่ค่าก็ค่าน้อยฮนะแต่ถ้าท่านเป็นพระโสโดาบันเกรดเค่าท่านก็ชาติเดียวซนะลุมค่าท่านเนี่ท่านก็ไปแล้วถ้าหาว่าเกรดบีก็สามชาติโกลังโกระถ้าเกรดซีก็เจดชาติสตุขัตะประมะแต่ทุกชาติท่านก็ไม่สู้เขาแล้วมันงั้นเถอะอ่าเพราะว่าท่านใช้กรรมนี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็ท่านกรรมทํากรรมในอดีต มากแต่ปัจจุบันนกรรมในท่านได้ครบปราดครบกับบัณฑิตคือท่านพระสาริบุตรชี้แนะแนวทางให้ถูกต้องน ก, กรรมในปัจจุบันของเขาเนี่ยก็ท่าจะว่าไปแล้วมากมายมหาศาลทีเดียวถ้าจะว่าไ ป, าาหาาาาไปให้เข้าปราถนาอะไรปราถนาเป็นเศรษฐีก็ได้เศรษฐีนะ่ยเพราะว่าท่านพระสาริบุตรท่านออกจากนิโรธธมาบาัตรใครบริจาคทำบุญทำทาน ถึงจะเป็นของเด็กน้อยปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในทานกับพระอรหันต์ออกจากนิโรธสมาบัติบุญมากในพระธรรมคํำคำสอนหรือในพระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้อย่างนั้นนี่แหละในอดการทํากรรมดีกับกรรมชั่วเนี่ยถ้าว่าทำกรรมดีมากก็สามารถที่จะลบล้างกรรมชั่วให้เบาบางไม่ให้มีกําลังลงได้แต่จะให้หักล้างจริงๆให้เด็ดขาดจริงๆ ก็คงไม่ได้เพราะยังมีวิบากกรรมอยู่จนกว่าท่านผู้นั้นเข้าสู่ปรินิพาน